ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง mp 3แผ่นที่แปดสิบหกโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี mp 3แผ่นที่แปดสิบหกให้คติธรรมหัวข้อว่าสังกยยสังกิตัพานิ พึ่งระแวงสิ่งที่ควรระแวงผมเองอาตมาภาพเองก็ได้พูดในชาดกหลายๆเรื่องว่าการตั้งความระแวงสงสัยนั่นแรลคือบอกเกิดแห่งปัญญาอันนี้ก็ไม่ใช่ระแวงจนถึงเราวิตกกังวลจนถึงกับทำให้เรื่องราวเสียหายไม่ใช่ แต่ถ้าคำว่าเรานอนใจตายใจทุกสิ่งทุกอย่างความไว้ใจภัยจะตามมาอันนี้ก็คือจุดหนึ่งเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ไว้ใจใครใชเชลยก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันไว้ใจคนที่ควรไว้ใจถ้าเขาเป็นคนไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้วเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงอยู่แล้วเราก็ควรจะไว้ใจ ไม่ควรจะระแวงเขาตะละแวงเข้าไปก็ทําให้เสียพักเสียพวกเสียเพื่อนเสียฝูงอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ใช้ปัญญาในการเป็นอยู่ในการบริหารจัดการในการดูแลอยู่กับวงสาคณะญาติญาติมิตรสหายถ้าละแวงเกินไปก็ไม่น่าจะถูกถ้าไม่จะละแวงเกินไปก็ทําให้ภัยตามมาถึงตัวเองอีกเหมือนกัน อันไหนคือพอหมาะต้องใช้ปัญญาในเรื่องนั้นๆในสิ่งแวดล้อมในช่วงนั้นๆถ้าพวกเราใช้แนวความคิดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วความพอดีจะเกิดขึ้นในจุดนั้นโดยอำนาจคุณพระศีรัตน์ตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเทอ